ขยายความพระไตรปิฎกฉบับประชาชนพระไตรปิฎกเล่มหา้าหมวดที่หนึ่งจำ ม, มะคันทกะหมวดว่าด้วยหนังพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนเขาคิจกูดไร้รกรงราชฤๅษพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมะคตทรงเรียกประชุมชาวบ้านจำนวนมากที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ได้ทรงทราบข่าวว่า บุตเศรษฐีชื่อโสนโกริวิสระมีคนขึ้นที่พื้นเท้าก็ส่งใกล่จะได้เห็นจึงตรัสให้ไปเฝ้าทอดพระเนตรแล้วก็ส่งสั่งสอนชาวบ้านเหล่านั้นด้วยเรื่องประโยชน์ปัจจุบันแล้วให้บุคคลเหล่านั้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อสดับเรื่องประโยชน์อนาคตพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดง อนุปุพรภิกถาคือถ้อยคําที่กล่าวโดยลำดับเรื่องทานศีล ส, สวรรค์โทษของกามอ น, นิสง์ในการออกจากกามและแสดงอริยสัจสีประการชาวบ้านเหล่านั้นปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตส่วนโซนากลิวิสะขอบวชเมื่อบวชแล้วมีความเพียรเดินจงกรม คือการเดินไปมากำหนดข้อฝึกหัดจิตใจเดินจงกรมจนเท้าแตกโลหิตไหลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระโสนโกริวิสสะเมื่ อ, อยังไม่บวชเคยดีดพินจึงทรงแสดงธรรมให้เดินสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปเหมือนสายพินที่ขึงแต่พอดียอมดีดดังไพเราะพระโสนโกริวิสสะ ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุพระอระหัตผลทรงอนุญาตรองเท้าใบไม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นพระโสนโกริวิสสะเป็นผู้สุขุมารคือละเอียดอ่อนก็ทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าใบไม้ชั้นเดียวพระโสนเกี่ยงว่าถ้าอนุญาตแก่สงเป็นส่วนรวม ท่านจึงจะใช้จึงทรงอนุญาตรองเท้าที่ทำด้วยใบไม้ชั้นเดียวห้ามใช้ชนิดที่ทำสองถึงสามชั้นหรือซ้อนหลายชั้นทรงห้ามรองเท้าที่ไม่ควรภิกษุฉับพัีใช้รองเท้าสีต่างๆมีผู้ติดเตียนจึงทรงห้ามใช้เธอใช้หูรองเท้า ประกอบรองเท้าขีดสีต่างๆมีผู้ติเตียนก็ทรงห้ามอีกเธอยักย้ายไปใช้รองเท้าลักษณะต่างๆเช่นรองเท้าปิดส้นปิดหลังเท้าและที่สวยงามประดับประดาต่างๆซึ่งเป็นของขฤหัสใช้กันก็ส่งห้ามทั้งหมดนอกจากนั้นยังส่งห้ามใช้รองเท้าหนังสัตว์ที่ไม่ควรต่างๆ ซึ่งข้ารือหัดสมัยนั้นใช้กันเช่นรองเท้าทำด้วยหนังราชสีเสือโครงอูดเป็นต้นข้ออนุญาตและข้อห้ามเกี่ยวกับรองเท้าทรงอนุญาตรองเท้าหลายชั้นที่คนอื่นใช้แล้วห้ามใช้ที่เป็นของใหม่ 2. ถ้าภิกษุผู้เป็นอาจารย์หรือปูนอาจารย์ เป็นอุปชายะหรือปูนอุปชายะไม่สวมรองเท้าเดินจงกรมห้ามภิกษุใช้รองเท้าเดินจงกรม 3. ทรงห้ามใช้รองเท้าในวัดภายหลังทรงอนุ ญ, ญาตให้ใช้ได้รวมทั้งทรงอนุญาตให้ใช้คบเพลิงประทีปและไม้เท้าเพื่อไม่ให้เหยียบหนามเหยียบต่อและเพื่อสะดวกในเวลากลางคืนส ส่งอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุที่เจ็บเท้าเท้าแตกหรือมีโรคที่เท้าใช้รองเท้าได้หาจะขึ้นเตียงขึ้นตังก็ส่งอนุญาตให้ใช้รองเท้าได้เพื่อว่าล้างเท้าใหม่ๆน้ำที่ติดเท้าและผงต่างๆจะได้ไม่ทำให้เตียงต่างเสียหายหกห้ามใช้รองเท้าไม้เพราะมีเสียงดังเจ็ด ห้ามใช้รองเท้าทาด้วยใบตาลและใบไผ่เพราะพระเที่ยวขอให้เขาตัดต้นตาลและต้นไผ่ที่ยังรุ่น8ห้ามใช้รองเท้าย่าและรองเท้าใบไม้หลายชนิดตลอดจนรองเท้าทาด้วยเงินทองเพชรพลอยและโลหะต่างๆเพราะมัวยุ่งอยู่กับเรื่องรองเท้าไม่เป็นอันเล่าเรียนหรือประพฤติปฏิบัติเก ทรงอนุญาตเขียงเท้าที่ตรึงติดกับที่สำหรับใช้ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะและชำระทั้งหมดนี้ถ้าล่วงละเมิดต้องอาบัตทุกกฎข้อห้ามเกี่ยวกับโคตัวเมียหมายเหตุจากหนังสือท่านผู้อ่านโปรดทราบว่าข้อห้ามเหล่านี้หรือในวินัยโดยมาก ต้องมีใครทําอะไรที่เป็นต้นบัญญัติแล้วไม่ดีไม่งามมีผู้ติดเตียนจึงทรงห้ามเป็นคราวๆไปคือห้ามตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทรงคิดห้ามเองโดยไม่มีเหตุเกิดขึ้นมีคนนาโคตัวเมียข้ามลาน้อาอจิระวดีภิกษุฉั พ, พคีเที่ยวจับที่เขาบ้างหูบ้างคอบ้างหางบ้างขึ้นขี่หลังบ้าง ถูกต้ององคชาติด้วยจิตกำหนัดบ้างจับลูกโคกดน้ำให้ตายบ้างมีผู้ติเตียนอื้อเฉาจึงทรงห้ามทำเช่นนั้นถ้าขืนทำให้ปรับอาบัตตามควรแก่กรณีซึ่งมีสิกขาบทในที่อื่นห้ามเป็นข้อข้ออยู่แล้วการห้ามในที่นี้จึงไม่ระบุอาบัตไว้ข้อห้ามเกี่ยวกับยานหรือพาหณนะ ทรงห้ามไปด้วยยานเว้นแต่จะไม่สบายทรงอนุญาตที่มีผู้ชายลากทรงอนุญาตคานหามมีต่างนั่งและเปลผ้าที่เขาผูกติดกับไม้คานในเรื่องนี้เป็นการห้ามตามความรังเกยียจของประเทศคือคนในสมัยนั้นเห็นพระนั่งยานก็พากันค่อนขอติเตียนจึงทรงห้ามเพื่อตัดปัญหาแต่ก็ทรงอนุญาตเมื่อมีเหตุผลสมควร ส่วนการอนุญาตคานหามเลหามก็เพื่อสะดวกในยามเจ็บไข้ข้อห้ามเกี่ยวกับที่นั่งที่นอนส่งห้ามที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ที่มีลักษณะวิจิตงดงามเป็นของใช้ครื่หัดและห้ามใช้หนังสัตว์ขนาดใหญ่ๆสําสำหรับปูนั่งหรือนอนเช่นครื่หัด ภายหลังมีภิกษุต้องการใช้หนังโคและมีผู้ฆ่าโคนามาถวายจึงทรงห้ามใช้หนังสัตว์ทุกชนิดเว้นไว้แต่นั่งบนของที่เคารพหัดเขามีไว้ใช้แต่ไม่ให้นอนบนนั้นวินัยข้อนี้เพื่อป้องกันไม่ให้พระมีเครื่องนั่งนอนหรูหราแบบเคารพหัดแต่ในกรณีที่เขานิมนต์ให้นั่งบนที่นั่งของเขาที่มีอยู่โดยปกติก็ทรงอนุญาต นอกจากนั้นทรงอนุญาตให้ใช้หนังสัตว์ที่เขาทําเป็นเชือกผูกห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้านทรงห้ามสวมรองเท้าเข้าบ้านเว้นแต่ป่วยไข้ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทั้งหลายพากันติเตียนภิกษุฉับพคีผู้ทําเช่นนั้นเห็นได้ว่าบัญญัตินี้อนุโลมตามความนิยมหรือไม่นิยมของกลุ่มชน พระโสนกุติกันนะโสนกุติกันนะอุบาสกใครจะบวชจึงไปหาพระมหากจานะขอให้ช่วยส่งเคราะห์บวชให้ท่านเห็นว่าลำมบาที่จะประพฤติปฏิบัติจึงห้ามไว้ครั้งที่สองเมื่อขอบวชอีกและเห็นว่าตั้งใจแน่วแน่จึงบวชเป็นสามเณรให้และกว่าจะหาภิกษุประชุมครบสิบรูป เพื่อบวชเป็นภิกษุให้ก็ลำบากยิ่งนักเพราะในชนบทกันดารเช่นนั้นมีภิกษุน้อยพระโสนะกุติกันนะบวชแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้านำคำขอร้องของพระมหากัจจานะเทระผู้เป็นอุปชายยะมากราบทูลหลายข้อเกี่ยวด้วยการผ่อนผันพระวินัยบางประการสำหรับเขตกันดาร ข้ออนุญาตสำหรับชนบทชายแดน 1. ทรงอนุญาตให้อุปสมบทคุลบุตรในชนบทชายแดนคือปัจจันตะชนบททั้งปวงด้วยภิกษุเป็นคณะเพียง5รูปซึ่งปกติให้ใช้10บรูป 2. ทรงกำหนดชนบทภาคกลางคือมัจจิมะชนบทดังนี้คือทิศตะวันออก ภายในแต่มหาสารนาครเข้ามาทิศตะวันออกเฉียงใต้ภายในแต่แม่น้ำสัน ล, ละวดีเข้ามาทิศใต้ภายในแต่เสตากันนั้นนิคมเข้ามาทิศตะวันตกภายในแต่หมู่บ้านพราหม์ชื่อถูณาเข้ามาทิศเหนือภายในแต่ภูเขาอุสีรัตชะเข้ามาทั้งหมดนี้รวมในมชิมะชนบทพ้นเขต น, นั้นออกไป เป็นปัจจันตาชนบททรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุห้ารูปบวชกุลบุตรได้ 3. ทรงอนุญาตให้ใช้รองเท้าหลายชั้นได้เพราะแผ่นดินครุกระเป็นระแหง 4. ทรงอนุญาตให้อาบน้ำได้ประจำ 5. ทรงอนุญาตให้ใช้หนังแกะหนังแพ้หนังเนื้อเป็นเครื่องลาดได้ ตามที่มีใช้กันอยู่ในเขตนั้น 6. ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุผู้อยู่นอกสีมารับจีวรที่เขาถวายได้โดยยังไม่ต้องนับวันตราบเวลาที่ผ้ายังไม่ถึงมือภิกษุเพราะมีข้อห้ามไม่ให้ภิกษุเก็บจีวรที่เกินกว่าสามผืนซึ่งเกินจำเป็นสำหรับใช้ประจำไว้เกินสิบวันต้องวิกับคือทำให้เป็นสองเจ้าของ จึ่งเก็บไว้ได้และถ้าจีวรประจำไม่มีก็ต้องอธิษฐานจีวรใหม่เป็นจีวรประจำ